เจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่23กันยายนพุทธศักราช2555เป็นวันพระวันธรรมสวนาะวันฟังธรรมวันเสริมสร้างปัญญาบาลี ด้วยการฟังเทศฟังธรรมเพราะเวลาฟังเทศฟังธรรมนั้นจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลาดับจะกําจัดความลังเลสงสัยให้หมดไปจากใจได้ ทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องและทำให้จิตใจของใสมีความสุขนี่คืออานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจากการฟังเทศฟังธรรมเกิดปัญญาที่จะเป็นแสงสว่างนำทางพาให้ชีวิตได้ไปสู่ความสุขและความเจริญ ที่แถจิงและที่ถาวรดังที่พระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ดำเนินกันไปพวกเราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้เช่นเดียวกันถ้าเราฟังธรรมด้วยความถูกต้องการฟังธรรมนี้ ถ้าฟังไม่เป็นก็จะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรเช่นบางท่านคิดว่าเวลาฟังธรรมเป็นเวลาทำสมาธิกันเช่นพอแสดงธรรมรอบนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธไปไม่สนใจกับเสียงธรรมที่มาสัมผัสกับหูธรรมะที่แสดงก็จะไม่เกิดประโยชน์อย่างไร การฟังธรรมเพื่อที่จะให้เกิดปัญญาเกิดความรู้นั้นต้องฟังด้วยใจที่จดจ่อต่อเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสที่หูและเข้าไปที่ใจในขณะที่ฟังจึงไม่ควรที่จะทำกิจกรรมต่างๆควรจะนั่งเฉยๆไม่ควรพูดคุยกันอย่างนี้เรียกว่าศสีย แล้วก็ใจก็ต้องตั้งมั่นอยู่กับการฟังไม่ลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้เรียกว่าสมาธิถ้าเราฟังธรรมด้วยศีลด้วยสมาธิเวลาฟังปัญญาของพระพเจ้าเราก็จะเกิดความเข้าใจเกิดบรรลุธรรมขึ้นมาได้ดังนั้นเวลาฟังธรรมจึงไม่ใช่เป็นเวลาทำสมาธิ ไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งบริกรรมพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกเวลานี้เป็นเวลาที่จะตั้งใจฟังธรรมะฟังเหตุและผลที่ที่กำลังแสดงอยู่แล้วพิจารณาตามถ้าเข้าใจก็จะเกิดความสวาม่างสวัยขึ้นมาภายในจิตในใจหายความสงสัย มีความเห็นที่ถูกต้องสามารถบรรลุธรรมทำจิตใจให้สงบให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือการัทำธรรมที่จะเกิดประโยชน์เกิดผลอย่าปล่อยให้ใจลอยไปนอยมาอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรืออย่าทำอะไรตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะทำอะไรทั้งนั้นตอนนี้เป็นเวลาฟัง การฟังรำตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งนี่คือวิธีฝังที่จะทำให้เกิดมงคลขึ้นมาเพราะเราจะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังเท่าไหร่เช่นวันนี้เราจะได้ยินได้ฟังเรื่องของความรู้าทางธรรมะที่เป็นความรู้ที่จะนำพาจิตใจของพวกเรา ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้นำพาจิตใจของเราให้ไปสู่ความสุขความเจริญที่ถาวรตามกับความรู้ทางโลกที่ต่อให้เราเรียนไปถึงระดับปริญญาเองก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจของเราได้ไม่สามารถทาให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ แต่ความรู้ทางธรรมนี้จะพาให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เพราะมีพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้หลุดพ้นกันมาแล้วเราจึงได้นำเอาความรู้ที่วิเศษนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเราตั้งใจฟัง และพิจารณาตามเหตุตามผลที่เราได้ยินได้ฟังแล้วสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้เราก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เช่นเดียวกันทมที่พระเจ้าทรงสอนให้เราศึกษานี้มีอยู่เจ็ดประการด้วยกันคือ 1. สอนให้รู้เหตุ 2. ให้รู้ผล 3. ให้รู้ตนส ให้รู้บุคคล5ให้รู้สังคม6ให้รู้การลัเทศะ7ให้รู้ประมาณนี่คือความรู้ที่จะยังประโยชน์ให้แก่ชีวิตของเราจะทำให้ชีวิตของเรานั้นไม่มีวันตกต่ำจะมีแต่เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นไปตามลำดับจนถึงจุดสูงสุด ความรู้ทงโลกต่อให้เรียนถึงระดับปริญญาเองก็จะไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ภายในใจไม่สามารถยับยั้งความเสื่อมเสียต่างๆที่จะเกิดตามมาได้คนที่จบปริญญานี้ยังมีโอกาสติดคุกได้ยังเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ได้ แต่คนที่มีความรู้เจ็ดประการในทางของพระพุทธศาสนานี้จะไม่มีวันที่จะต้องไปติดคุกติดตารางจะไม่มีวันที่จะต้องร้องห่มร้องห้าเศร้าโศกเสียใจดังนั้นขอให้เราตั้งใจศึกษาแล้วพยายามปฏิบัติตามให้ได้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเป็นข้อที่เกี่ยวข้องกันคือเหตุและผลให้รู้เหตุ รู้ผลให้รู้ว่าเหตุเป็นต้นผลเป็นปลายคือผลนี่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีเหตุไม่ได้อยู่เฉยๆเกิดขึ้นมาเองเหตุที่เราพูดถึงนี้ที่สำคัญต่อชีวิตจิตใจของเราก็คือการกระทำของเราทางกายทางวาจาและทางใจการกระทำของเรานี่แหละที่จะทำให้เกิดผล คือความสุขหรือความทุกข์ความเจริญหรือความเสือ่อมต่อชีวิตของเราดังนั้นเราจึงให้ควรให้ความสนใจต่ อ, อการกระทำของเราศึกษาดูว่าการกระทำอย่างไรจะทำให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองมีความสุขศึกษาดูว่าการกระทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตเราตกต่ำทำให้ชีวิตของเราเศร้าหมอง มีแต่ความทุกข์มีแต่ปัญหาต่างๆทุกวันนี้ความสุขความทุกข์ของเรานี้ก็อยู่ที่การกระทาของเรานั่นเองแต่เราไม่รู้จักวิธีการกระทาที่จะทำให้มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเรามักจะทำไปผสมประสานกันบางเวลาเราก็ทำแล้วเกิดความสุขบางเวลาเราทำแล้วก็เกิดความทุกข์ เกิดปัญหาต่างๆตามมาดังนั้นต้องฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ทำดีให้ละบาปการทำดีก็คือให้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตนและผู้อื่นไม่มีโทษกับตนและผู้อื่นเรียกว่าการทำความดีส่วนการทำบา ก็คือการกระทำที่ไม่เกิดประโยชน์กับตนและผู้อื่นแต่เป็นโทษกับตนและผู้อื่นไม่ควรจะกระทำการทำความดีก็อย่างที่เรามากระทำกันในวันนี้เช่นนาอาหารข้าวของเงินทองมาถวายพระอย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำความดีเพราะเกิดประโยชน์ทั้งกับผู้ให้และผู้รับ ผู้รับก็จะได้รับประโยชน์จากสิ่งของต่างๆมาจุนเจืออัฐภาพร่างกายเช่นอาหารยารักษาโรคส่วนผู้ให้ก็จะได้รับประโยชน์ทางจิตใจคือจิตใจจะมีความร่มเย็นเป็นสุขมีความอิ่มใจมีความภูมิใจที่สามารถเอาชนะกิเลสความเห็นแก่ตัว กิเลสความโลภได้แทนที่จะเอาเงินนี้ไปซื้อสิ่งที่กิเลสอยากได้เช่นไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่หรือไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ก็ไม่ไม่ทาเอาเงินนี้มาซื้อข้าวของกับข้าวกับปลาอาหารแล้วนำเาม า, มาถวายพระเพราะรู้ว่าพระต้องอาศัยการให้ของเรา ทำอย่างนี้ก็จะเป็นการกำจัดความโลภไปในตัวเพราะว่าไม่ไม่ตอบสนองความโลภนั่นเองคือไม่ไปซื้อของที่เราอยากได้ของที่ไม่จำเป็นถ้าของที่จำเป็นนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซื้อได้แต่ถ้าของไม่จำเป็นนี้เอามาทำบุญจะดีกว่าใจของเราจะมีความเมตตา ใจของเราจะสูงขึ้นใจของเราจะเป็นเทพนี่คือตัวอย่างของการทําความดีเมื่อทําความดีแล้วก็จะเกิดผลตามมาคือความสุขใจจิตใจก็จะเริญสูงขึ้นจากมนุษย์ก็ขยับขึ้นไปเป็นเทพตามลําดับถ้าอยากจะขยับสูงขึ้นไปกว่านี้ก็ต้องทําความดีอีกขั้นหนึ่งคือการชําระใจให้สะอาบริสุทธิ์ ด้วยการนั่งสมาธิแล้วก็ด้วยการเจริญวิปัสสนาหรือเจริญปัญญาอย่างนี้ก็จะยกระดับใจให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากกวา่าใจของผู้ที่นั่งสมาธิได้นี้จะเป็นจะเป็นพรความสุขของพรหมนี้มีความมากมีความสุขมากกวา่าความสุขของเทพ แล้วถ้าอยากจะขึ้นไปสูงกว่าระดับความสุขของผมก็ต้องเจริญปัญญาวิปัสสนาให้ศึกษาให้รู้ความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายคือสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นวัตถุเข้าของว่ามีคุณลักษณะอยู่สามประการด้วยกันคือหนึ่งไม่เที่ยงสองไม่ใช่ของเรา สามเป็นทุกข์ถ้าไปยึดไปติดไปหลงไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราแล้วอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเกิดความอยากแล้วไม่ได้ดำใจอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความเสียใจตามมาถ้ารู้ก่อนล่วงหน้าว่าอยากไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับมีการเปลี่ยนแปลง อยากไม่ให้ดับไม่ได้อยากไม่ให้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เช่นอยากไม่ให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่ได้อยากไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้อยากไม่ให้ตายไม่ได้ถ้าอยากแล้วก็จะทุกข์ใจไปเปล่าๆแล้วก็ไม่ได้ไปแก้ความแก่ความอยากความตายยังไงยังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่จะทุกข์ื้อจะสุขเท่านั้นเองถ้ามีปัญญา รู้ความจริงว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วยอมรับความจริงอันนี้ได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายไม่ทุกข์กับการพัดพลากจากบุคคลที่เรารักหรือสิ่งที่เรารักเพราะเราเตรียมตัวเตรียมใจเหมือนวันนี้ญาติโยมก็พัดพลาดจากสิ่งที่โยมรักญาติโยมรักไปคือกับข้าวกับปลาอาหารเงินทอง ไม่มีใครไม่รักเงินทองทุกคนรักเงินทองแต่วันนี้พัดพาจากเงินทองแบบไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจกับมีความสุขใจเพราะมีความยินดีมีความตั้งใจที่จะเสียเงินก้อนนี้ไปถ้าไม่ได้ตั้งใจแล้วเกิดมีใครมาลักขโมยเงินก้อนนี้ไปก็จะเกิดความเสียใจเกิดความโกรธขึ้นมา เพราะยังมีความหลงยังยึดติดกับเงินทองยังคิดว่าเป็นของเรายังคิดว่าจะอยู่กับเราต่อไปเราต้องคิดอยู่เสมอว่ามันจะไม่อยู่กับเราและมันจะจากเราไปเมื่อไรเราก็ไม่รู้เราจึงต้องพร้อมที่จะให้เขาจากไปดังนั้นถ้าเรามีเหลือกินเหลือใช้ก็อยากเก็บไปไว้ ให้เป็นทุกข์ใจไปต่อๆเอาไปทำบุญให้ทานเสียจะดีกว่าแล้วก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาเมื่อใจได้ให้แล้วก็จะมีความสุขนี่คือปัญญาเราต้องสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้นับตั้งแต่ร่างกายนี้ออกไปร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ต้องแก่เจ็บตาย คนอื่นก็เหมือนกันลูกเราสามีเราภรรยาเราพ่อแม่เราคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ต้องตายไปเหมือนกันสมบัติข้าวของเงินทองก็ต้องจากเขาไปในทิ่อย่างนี้เรื่อยๆแล้วใจจะไม่ยึดติดใจจะปล่อยวางปล่อยวางแล้วก็จะเย็นสบายไม่ว้าวุ่นขุ่นวัวไม่เดือดร้อนใจก็จะเป็นพระอาริยเจ้า เป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันต์ไปนี่คือเกิดจากการกระทําที่ดี <c oughs> คือสร้างเหตุที่ดีคิดดีพูดดีทำดี <c oughs> แล้วผลก็คือความสุขความเจริญของจิตใจก็จะตามมาตามลำดับส่วนการกระทําที่จะนำให้จิตใจเราทุกข์ุ่นวาย มีแต่ปัญหามีแต่มีแต่ความหวาดวิตกกังวลก็คือการกระทำบาปนี้เองคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดโัวเวดีการพูดปดการเสพสิรลายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นนิสความเกลียดคร้านนี่คือการกระทำที่จะทำ ให้เกิดผลที่ไม่ดีตามมาคือเกิดความทุกข์เกิดความเสื่อมเสียตามมาต้องพยายามละเว้นจากการกระทาเหล่านี้ถ้าไม่อยากจะให้จิตใจของเราตกต่ำทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปแล้วร่างกายตายแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็จะต้องไปรับผลของบาปที่ได้ทำไว้ต่อไป คือต้องไปเกิดในอบายที่มีอยู่สีที่มีอยู่สีจุดด้วยกันคือจุดของเดลฉานจุดของเปรตจุดของอสุรกายและจุดของนรกนี่คือที่ไปของผู้ที่ทำบาปผู้ที่เสพโชราเล่นกาปรปนันเที่ยวกังคืนเพราะการเสพโชราเล่นกาปรปนันเที่ยวกังคืนนี้ จะพาให้ไปสู่การทำบาปต่อไปเพราะเวลาเล่นเสียแล้วก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินไปโกหกหลอกลวงเพราะไม่มีวันที่จะใช้คืนก็ได้ถ้ากู้หนี้ยืมสินไม่ได้ก็จะไปรับขโมยถ้ารับขโมยแล้วเกิดมีการต่อสู้กันก็อาจจะต้องมีการท่ากันเมื่อได้ทำบาปแล้วผลก็จะต้องตามมา ทั้งในปัจจุบันคุออยจะต้องหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลบหล บ, ลบซ่อนๆถ้าถูกจับก็ต้องถูกจับไปลงโทษถูกจับขังคุกขังตลาลหรือว่าถูกลงโทษประหารชีวิตไปตายไปก็ต้องไปเป็นเปรเป็นอสุรกายเป็นนรกเป็นเดราาัจฉานนี่คือเหตุที่จะทําให้เกิดผลที่ไม่ดีตามมาดังนั้น ผลที่เราประสบกันนี้เป็นอยู่ในกรรมมือของเราอย่าไปโทษผู้อื่นเวลาชีวิตเราตกต่ำอย่าไปโทษผู้อื่นเวลาชีวิตเราเจริญก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปโทษผู้อื่นให้คิดว่ามันเป็นการกระทาของเราในอดีตที่ผ่านมาและในปัจจุบันที่เรากำลังทาอยูน่นี้ถ้าเราเข้าใจของหลักของเหตุและผลแล้ว ต่อไปเราก็จะได้บําเพ็ญเหตุที่ดีและและเว้นการกระทําเหตุที่ไม่ดีใจของเราหรือผลที่จะเกิดขึ้นกับใจของเราก็จะมีแต่ความสุขและความเจริญเรามีพระพุทธเจ้ามีพระสาวกเป็นตัวอย่างท่านสร้างเหตุที่ดีท่านทาทานนักษาสิงภาวนาจนในที่สุดท่านก็ได้กลายเป็น พระสาวกกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกอย่างพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้พวกเราก็จะเป็นที่พึ่งของเราได้ต่อไปต่อไปเราไม่ต้องพึ่งพระพุทธเจ้าไม่ต้องพึ่งพระอรหันตสาวกเพราะเราก็จะเป็นพระอรหันตสาวกต่อไปพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็เป็นเหมือนพวกเรา ก่อนที่ท่านจะเป็นพระอาหารหันตสาวกท่านก็เป็นบุตุชนธรรมดาอย่างพวกเราที่ได้มีโอกาสได้สัมผัส ร, รับรู้กับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติตามพอปฏิบัติตามไปผลที่ดีที่งาที่เลกืก็ตามมาตามลาดับ จนในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตาสาวกอันนี้เป็นเรื่องของเหตุของผลไม่มีใครทำอะไรให้เราได้พระพระพุทธเจ้าก็ทำให้เราไม่ได้พระอาหารหันตาสาวกก็ทำให้เราไม่ได้ต่อให้เสกให้เป่าอย่างไรต่อให้สาดน้ำมนหมดเป็นขันขันก็ไม่มีวันที่จะทำให้เราดีขึ้นมาได้อย่าไปเสียเวลาให้พระท่าน ปาผมน้ำมนต์เป่าหัวเข็กระโลไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะมันไม่ใช่เป็นเหตุที่จะทําให้เกิดผลที่เราปรารถนากันผลที่เราปรารถนากันนี้เกิดจากการกระทําของเราคือการทําดีละบาชําระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือเรื่องของเหตุของผลเรื่องที่สามที่เราควรจะรู้ก็คือรู้ตน คำว่ารตนก็ต้องรู้ว่าเราเป็นใครเราเป็นอะไรเราเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานมนุษย์นี้ก็มีการปฏิบัติต่างกับเดรัจฉานคือเดรัจฉานนี่เขาไม่มีศีลเราเป็นมนุษย์เรามีศีลเพราะว่ามนุษย์นี้ประเสริกว่าเดราัฉานเพราะมนุษย์รู้จักผิดถูกดีชั่วรู้บาปบุญคุณโทษนั่นเองแต่ถ้าเป็นมนุษย์แล้วไปทำบา ก็ถือว่าไม่ได้เป็นมนุษย์เสียแล้วถือว่าเป็นเดรัจฉานดังนั้นเราต้องรู้ว่าเราเป็นอะไรเราอย่าไปเรียนแบบเดรัจฉานเดรัจฉานก็ปล่อยเขาอยู่ตามตามสภาพของเขาแต่เราเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐกว่าเดรัจฉานแล้วเราไปทำตามเดรัจฉานนี้แล้วเราจะเรียกตัวเราว่าเราประเสริฐกว่าเดรัจฉานได้อย่างไรเราเป็นมนุษย์เราก็ต้องมีศีลห้า เป็นเป็นคุณสมบัติประจำจดจำใจของเราไม่ต้องมาสมาทานศีลเพราะการสมาทานนี้เป็นการมาขอศึกษาว่าก า, การเป็นมนุษย์นี้จะต้องทําอย่างไรเวลาญาณโยมาสมาทานศีลห้านี้ความหมายก็คือขอศึกษาว่าการที่จะรักษาความเป็นมนุษย์นี้รักษาได้อย่างไรพระก็บอกว่าก็ต้องอย่าฆ่าสัตว์ อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเวณีอย่าพูดปดอย่าเสพสุรายาเม้าและอบายอย่ามุกต่างๆถ้ารักษาได้ก็จะสามารถรักษาความเป็นมนุษย์ได้และถ้าอยากจะเป็นเทพก็ให้ทาบุญให้ทานถ้าอยากเป็นพรหมก็ให้นั่งสมาธิถ้าอยากจะเป็นพระอรหันต์ก็ให้ปฏิบัติสมถะ และวิปัสสนาภาวนานี่คือต้องเรื่องของการรู้ตนเราต้องรู้ว่าเราเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นหญิงก็ต้องแต่งกายทำตัวแบบหนึง่งเป็นชายก็ต้องแต่งกายทำตัวแบบหนึง่งถ้าเราทำไม่ถูกเราก็จะกลายเป็นที่คราหานินทาเป็นที่ เป็นที่รังเกียจหรือเป็นที่สมเพศในสายตาของผู้ื่นได้นอกจากการรู้ว่าเราเป็นหญิงเป็นชายแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราเป็นคาราว่าหรือเป็นนักบวชเป็นนักบวชก็ต้องทำตัวอย่างหนึ่งเป็นคาราว่าก็ต้องทำตัวอีกอย่างหนึ่งนอกจากนั้นก็ต้องรู้ว่าเราเป็นผู้ใหญ่หรือเราเป็นผู้น้อย การที่เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องทำตัวอย่างหนึ่งเป็นผู้น้อยก็ต้องทำตัวอีกอย่างหนึ่งฐานะของเรานี้เปลี่ยนไปตามสภาพถ้าเราอยู่กับคนที่เขาใหญ่กว่าเราเราก็ต้องเป็นผู้น้อยถ้าเราอยู่กับผู้ที่เขาเล็กกว่าเราเราก็เป็นผู้ใหญ่เราจึงต้องรู้จักวิธีที่เราจะต้องทำตัวของเราให้เหมาะสมกับสถานภาพของเราเราเป็นโสตก็ต้องทำตัวแบบหนึง่ง เรามีคู่ครองเราก็ต้องทำตัวอีกแบบหนึ่งไม่ใช่มีคู่ครองแล้วก็ไปทำตัวเป็นโสดอย่างนี้เดี๋ยวก็เกิดเรื่องขึ้นมาเป็นโสดแล้วไปทำตัวว่าเป็นมีคู่ครองันก็มันก็ไม่เข้าท่าอยดีต้องรู้จักฐานะของเราต้องทำให้ถูกแล้วจะไม่มีปัญหาจะมีแต่ความมเย็นเป็นสุดข้อที่สี่ก็คือให้รู้จักบุคคล ก็เช่นเดียวกันนอกจากรู้จักตัวเราแล้ ว, ลวเราก็ต้องรู้จักคนอื่นว่าเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นมนุษย์หรือเขาเป็นเดรฉานถ้าเป็นเดร า, าก็ต้องปฏิบัติกับเขาอย่างหนึง่งเป็นมนุษย์ก็ปฏิบัติอีกอย่างหนึง่งเช่นคนที่เป็นเดราชฉานนส่วนใหญ่เขาก็จะกลับเข้าไปขังไว้ในคุกในตรางเขาไม่ปล่อยให้ออกมาเพ่นพ่านอยู่มาสร้างความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายใจให้ ให้แก่ผู้อื่นเหมือนกับปล่อยสิง ส, งสาราสัตว์ออกมาจากสวนสัตว์อย่างนั้นมีใครเขาจะปล่อยให้สิงสารสัตว์เดินเพ่นผ่านไม่มีหรอก mm. เขาเห็นงูออกมา mm. เห็นเสือออกมาก็ mm. าต้องรีบจักกัน mm. กลับเข้าไปไว้ในกกงช mm. ันใดคนที่ปฏิบัติตนเหมือนกับเดรัชาน mm. ก็มักจะต้องถูกเขาจับเข้าไปขังไว้ในคุกในตาราง mm. mm. เราก็ต้องรู้ว่าคน ที่เราครบค้าสมาคมด้วยเป็นอย่างไรถ้าเป็นเดรัฉานก็ต้องระมัดระวังถ้าไม่ระวังวเดียวก็จะถูกเขากัดได้ถูกเขาทำร้ายได้เวลาเราครบกับคนที่เขาไม่มีศีลไม่มีธรรมนี้เราต้องระมัดระวังถ้าไม่ระวังเดียวเขาก็จะลักทรัพย์ของเราไปเดี๋ยวเขาก็จะมาทำร้ายเรามาลักเอาสามีเอาภรรยาของเราไปนี่คือการรู้จักบุคคล ต้องรู้ว่าเขาเป็นคนอย่างไรดีหรือไม่ดีเขาเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กเป็นพระหรือเป็นค า, วารวาเพราะวิธีปฏิบัติต่อบุคคลต่างๆนั้นก็ต้องเหมาะสมกับสถานภาพของเขาถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกแล้วก็จะเกิดปัญหาตามมานี่คือเรื่องของการรู้บุคคลข้อที่ห้าข้อที่ห้าก็คือให้รู้จัก สังคมคำว่ า, ารู้จักสังคมก็ให้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมที่เราอยู่เขาเขานิยมทำอย่างไรเราก็ต้องทำตามเขาเช่นสังคมของคนไทยเวลาไปไหนมาไหนเจอกันก็จะไหว้ยกมือไหว้ทักทายกันเวลามาก็ไว่ว้เวลาไปก็ลาถ้าไปอยู่สังคมของประเทศอื่น บางทีเขาก็ใช้กอดกันจูบกันบางทีเขาก็ใช้ก้มหัวให้ต่อกันเราอยู่ในสังคมใดเราก็ต้องปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมนั้นถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกแล้วเราก็จะเป็นที่รังเกียจของสังคมของบุคคลที่อยู่ในสังคมนั้นๆได้และเราอาจจะอยู่ไม่ได้อาจจะต้องถูกเขาขับไล่ออกมาจากสังคมนั้น เนเวลามาบวชการมาบวชเป็นพระก็มีกฎมีระเบียบอันนี้ก็เป็นสังคมของพระถ้ามาบวชแล้วไปแอบนอนกับคนอื่นอย่างนี้เขาก็จะไม่ให้อยู่เป็นพระต่อไปถ้าเขาจับได้เขาก็จะต้องจับสึดหรือขับไล่ออกไปจากวัดเพราะทํำไม่ถูกกฎกติกาของสังคมนั้นเอง ดังนั้นขอให้เราศึกษากฎกติ ก, กาขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมเพื่อเราจะได้ไม่ทำตัวให้เราเกิดความเสียหายเกิดปัญหาตามมาข้อที่6คือการรู้จักกาลเทศะการรู้จักกาลเทศกรรกกะทศก็ให้รู้จักเวลาและสถานที่ ที่เราอยู่ว่าตอนนี้เวลานี้สถานที่นี้เขากําลังทําอะไรกันอยู่เช่นตอนนี้กําลังนั่งฟังเทศฟังธรรมกันเรามาสายเราก็พูดพลาเข้ามาเอาข้าวเอาของเข้ามาถวายพระอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่รู้จักกาลเทศะไม่ดูไม่ดูว่ากำลังเขากําลังทําอะไรกันอยู่ ต้องศึกษาต้องรู้กาลเทศะเวลาเราไปตามสถานที่ต่างๆเช่นเวลาเราไปงานศพเราจะไปเอาเพลงไปเปิดฟังมันก็ไม่ดีไปร้องรำทําเพลงในงานศพแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีฉูดฉาอย่างนี้ก็ไม่ถูกกับกาลเทศะหรือเวลาไปงานแต่งงานก็ทําหน้าตาซึ้งเศร้าใส่ชุดดำไปอย่างนี้ก็ไม่ถูกกาลเทศะเราต้องศึกษาให้รู้ว่า สถานที่เราไปเวลานั้นเขากำลังทำอะไรกันอยู่เราก็ควรที่จะทำตามไม่ใช่นานยานเราจะกลายเป็นบุคคลแปลกประหลาดไปอาจจะกลายเป็นคนเพี้ยนไปได้ก็อาจจะต้องถูกเขาจักเข้าไปอยู่โรงพยาบาลบ้าได้นี่คือการรู้จักการลักเทศะและประการสุดท้ายก็คือการรู้จักประมาณ คำว่ารู้จักประมาณก็คือการรู้จักควมว่าความพอดีคือไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเหมือนกับใส่รองเท้าก็ต้องใส่ตามขนาดของรองเท้าเราใหญ่เกินไปก็หลวมเล็กเกินไปก็คับเสื้อผ้าก็เหมือนกันถ้าใหญ่เกินไปก็ก็หลวมไม่ไม่สวยถ้าเล็กเกินไปก็คับใส่ไปแล้วก็ขาดได้ ต้องรู้จักประมาณสิ่งที่ควรจะรู้จักประมาณนี้ก็คือในการบริโภคปัจจัยสเพราะถ้าเราไม่รู้จักประมาณแล้วจะเกิดปัญหาตามมาได้เช่นการบริโภคอาหารบริโภคมากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายมีน้ำหนักเกินมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบีย น, ยนถ้าบริโภคน้อยเกินไปก็จะทำให้ผอมแห้งแรงน้อยมีโรคภัยไข้เจ็บเบียเดเบียนได้เช่นเดียวกัน ต้องรับประทานพอประมาณพอกับความต้องการของร่างกายส่วนอาหารที่เราจะรับประทานนั้นจะมีราคาถูกหรือราคาแพงก็ให้รู้จักประมาณฐานะของเราว่าเรามีฐานะอย่างไรถ้าเรามีเงินมากอยากจะรับประทานของแพงๆก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเรามีเงินน้อยเราอยากจะรับประทานของแพงๆก็จะเกิดปัญหาได้ าะเราจะไม่มีเงินพอที่จะมาซื้ออาหารแพงๆมาลับประทานเมื่อเราเงินไม่พอแล้วเราก็จะต้องดิ้นลงเหนื่อยยากไปตปล่าๆถ้าหามาด้วยวิธีสุดจริญไม่ได้ก็ จ, จะต้องไปหามาด้วยวิธีทุจริตไปรักขโมยไปช่อโกอย่างนั้นถ้าเรารู้จักประมาณเราจะอยู่อย่างสุขสบายได้มีน้อยก็กินน้อย ใจน้อยอยู่ไปตามอัตภาพอย่างนี้ก็จะไม่มีปัญหาตามมาเช่นเดียวกับบ้านที่อยู่อาศาัยเราก็อยู่ไปตามอัตภาพของเราไม่มีเงินซื้อบ้านก็เช่าก็อยู่ก็ได้ไม่มีเงินเช่าเขาอยู่ก็ไปอาศาัยวัดอยู่ก็ได้ไปบวชเป็นภาพบวชเป็นชีกก็ได้ถ้าคนเรารู้จักทำใจ ปรับตัวเองให้เข้ารักกับสถานภาพของตัวเองแล้วชีวิตนี้ไม่ไม่เป็นปัญหาหรือว่าถ้ามันไม่มีที่ไปจริงๆก็ก็อยู่ไปตามสภาพอยู่ไปใต้สะพานก็ได้อยู่ตามโคนม้ ก, ก็ได้ที่ไหนพอหลบแดดหลบฝนได้ก็อยู่ไปถ้าอยู่ไม่ได้อย่างมากก็แค่ตายให้คิดอย่างนี้ว่าอยู่ในวันเดี๋ยวก็ตายเหมือนกัน อยู่ในก้รหารราคาเป็น 20-30 ล้านเดี๋ยวก็ตายเหมือนกันอยู่ใต้สะพานก็ตายเหมือนกันในเคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับการที่จะต้องมาดิ้นรนหาปัจจัยสี่เกินกำลังของเราไปและอาจจะทำให้เราต้องไปทำบาปทำกรรมนี่คือเรื่องของการรู้จักประมาณในการ บริโภคปัจจัยสี่ของเราถ้าเรามีความรู้ทั้งเจ็ประการนี้และสามารถปฏิบัติตามความรู้ได้รับรองได้ว่าชีวิตของเราจะไม่มีความทุกข์ชีวิตของเราจะไม่มีความเสือ่อมเราจะไม่ต้องไปติดคุกติดตารางไม่ต้องไปมีปัญหามีเรื่องมีราวกับใครทั้งนั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญ จึงขอฝากเรื่องของการมาศึกษาหาความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่เป็นความรู้ที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิพจรารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแต่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้